สิบคาบที่ส0ว่าด้วยการห้ามการดอกกระิตที่ชอบทำเรื่องอุบาสกคนหนึ่ง925สมัยนั้นพระพู้มีพระภาพพทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอาาถาพิธิการเษฐีเขตกรุงสาวกทีครั้งนั้นอุบาสกคนหนึ่งให้สร้างวิหารอุทิศถวายสงในการฉลองวิหารนั้น อุบาสกนั้นประสงค์จะถวายอาการจีวรแก่สงฆ์ทั้งสองฝ่ายแต่เวลานั้นสงทั้งสองฝ่ายกรานกรถินแล้วลำดับนั้นอุบาสกนั้นเข้าไปหาสงขอการดอกกรถินภิกษุทั้งหลายจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ดอกกระินได้